มักในฐานะอุปกรณ์สำหรับใช้มีใช้สำหรับยึดถือหรือแบกโก้ไว้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลพบห่วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างนี้หน้าหวาดระแวงน่ากลัวภัยแต่ฝั่งข้างโน้นปลอดโปรง่งไม่มีภัยก็แลเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มี ผุรด์นั้นจึงทมริว่าพ่วงน้ํานี้ใหญ่ฝั่งข้างนี้หน้าหวัดโรแวงถ้ากระไรเราพึงเก็บรวมเอาหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรและเอาศัยแพรนั้นพยายามเอาด้วยมือและเทา้าพึงข้ามถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีคราวนั้นเขาจึงผูกแพรข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นเขาได้ข้ามไปขึ้นฝั่งข้างโน้นแล้ว ก็มีความดําริว่าแผ่นี้มีอุปการะแกเรามากแท้เราอาศัยแผ่นี้ถ้ากไรเราพึงยกแผ่นี้ขึ้นเทินบนศรีรษะหรือแบกขึ้นบ่าไว้ไปตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเห็นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทาอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นผู้กระทาถูกหน้าที่ต่อแผ่นั้นหรือไม่ ทุนตอบว่าไม่ถูกจึงตรัสต่อไปว่าบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกหน้าที่ต่อแพนั้นในเรื่องนี้บุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วมีความดำริว่าแพนี้มีอุปการากะแกเรามากแท้ถ้ากรไรเราพึงยกแพนี้ขึ้นไว้บนบกหรือผูกให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วจึงไปตามปรารถนา บุตรผู้นั้นกระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้กระทำถูกหน้าที่ต่อแพ่นั้นนี้ฉันใดธรรมะก็อุปมาเหมือนแพรเราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปมีใจเพื่อให้ยึดถือไว้ฉันนั้นเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะอันมีอุปมาเหมือนแพรที่เราแสดงแล้วพึงละเสียแม้ซึ่งธรรมะทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญถึงธรรมเล่า ภิกษุทั้งหลายทิฏฐิคือทฤษฎีหลักการความเข้าใจธรรมที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ผุดพองถึงอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่เริงใจกระยิมอยู่เฝ้าถนอมอยู่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะอันมีอุปมาเหมือนแพรที่รอแสดงแล้วเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปมีใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ได้แลหรือ พุทธพจน์ทั้งสองแห่งนี้นอกจากเป็นเครื่องเตือนไม่ให้ยึดติดถือมั่นในธรรมะทั้งหลายแม้ที่เป็นความจริงความถูกต้องโดยไม่ได้ถือเอาประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นตามความหมายคุณค่าและประโยชน์ตามความเป็นจริงของมันแล้วข้อที่สําคัญยิ่งก็คือเป็นการย้ําให้มองเห็นธรรมะทั้งหลายในฐานะเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการที่จะนําไปสู่จุดหมายมิใช่สิ่งลอยๆหรือจบในตัว ด้วยเหตุนี้เมื่อปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งจะต้องรู้ตระหนักชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของธรรมะนั้นพร้อมทั้งความสัมพันธ์ของมันกับธรรมะอย่างอื่นๆในการดําเนินไปสู่วัตถุประสงค์นั้นวัตถุประสงค์ในที่นี้มิได้หมายเพียงวัตถุประสงค์ทั่วไปในขั้นสุดท้ายเท่านั้นแต่หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะตัวของธรรมะข้อนั้นๆเป็นสําคัญ ว่าธรรมะข้อนั้นปฏิบัติเพื่อช่วยสนับสนุนหรือให้เกิดธรรมะข้อใดจะไปสิ้นสุดลงที่ใดมีธรรมะใดรับช่วงต่อไปดังนี้เป็นต้นเมื่อการเดินทางไกลที่ต่อยานพาหนะหลายทอดและอาจใช้ยานพาหนะต่างกันทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศจะรู้คลุมคลุมเพียงว่าจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่นั่นที่นั่นเท่านั้นไม่ได้ จะต้องรู้ด้วยว่ายานแต่ละท่อแต่ละอย่างนั้นตนกำลังอาศัยเพื่อไปถึงที่ใดถึงที่นั้นแล้วจะอาศัยยานใดต่อไปดังนี้เป็นต้นพระสูตรที่ช่วยเน้นข้อความที่กล่าวมานี้ได้แก่รัฐวินิจฉสูตรซึ่งแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างตามลำดับวิสุทธิ์ที่7ด การปฏิบัติธรรมที่ขาดความตระหนักในวัตถุประสงค์ความเป็นอุปกรณ์และความสัมพันธ์กับธรรมะอื่นๆย่อมกลายเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยขับแคบตันและที่ร้ายยิ่งคือทําให้เควอออกนอกทางไม่ตรงจุดหมายและกลายเป็นธรรมะที่เฉื่อยชาเป็นหมันไม่แล่นทําการไม่ออกผลที่หมายเพราะการปฏิบัติธรรมอย่างไร้จุดหมายเช่นนี้ ความไข้เขวและผลเสียหายต่างๆจึงเกิดขึ้นแก่หลักธรรมสำคัญสำคัญเช่นสันโดษอุเบขาเป็นต้น